บทที่สามสิบสามกลับพระไทยทางลุ่มแม่น้ำมหานทีตอนใต้อนาจักมคตลงมามีอาณาจักรหนึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารประชากรขยันขันแข็งในการประกอบสัมมาชีพ ร่างกายกำยำใหญ่ผิวดำมีอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ดินแดนส่วนนี้รู้จักกันในานามว่าอาณาจักรกาลิงคะหรือกาลิงเมื่อจอมจั ก, กรพรรดอิอโศกทรงแผ่เดชานุภาพสู่แคว้นต่างๆเป็นเวลาถึงสี่ปีหลังจากปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์อย่างสมบูรณ์แล้ว รุถึงปีที่8พุทธศักราช286ทรงกรีธาทัพสู่อาณาจักรกาลิงณที่นั้นกองทัพแห่งอโศกหลั่งไหลเข้าประดุด้ายน้ำจากเหนือสู่ใต้ชาวกาลิงต่อสู้สุดความสามารถเสียงกรองศึกสั่นสะเทือนประหนึ่งถล่มพระสุธาเสียงมา้าช้าง และทหารหารที่ถูกลูกศรและดาบร้องครวนครางเสียงระงมเค้าด้วยเสียงกลองสึกทั่วทุ่งยุทธสมกรามจอมจกักรพรรดิทรงม้าขาวผูกสอดธนูกแกว่งพระแสงดาบนำหน้าทหารอโศกเบียงพระพักไปทางใดคลื่นทหารแห่งมคตก็ทุ่มกำลังหลังไหลไปทางนั้นลาวทหารแห่งกะลิงล้มตายละเนรนาศ ประดุดมัตฉาชาติเกลื่อนกลนพื้นปัตพีเมื่อชาวประมงยกจากห้วงวารีแล้วทุบให้ดาวดิ้นก็ป่านกันเมื่อพระราชาแห่งอาณาจักรกาลิงถูกจับได้ถูกสำเร็จโทษในสนามรบและเหล่าทหารฝ่ายกาลิงก็ยังเหลืออยู่น้อยแตกทับหนีกระเจิงไปแล้วจอมจั ก, กรพรรดิทเทิดพระเนตรไปทั่วสี่ทิศแห่งท้องทุ่ง ยุทธสมครามมองลงสู่แผ่นดินเมธนีตรงที่พระองค์ยืนม้าอยู่ทรงเห็นเลือดท่วมกีบมา้าทรงทอดทัศนาการไปเบื้องพระพักและโดยรอบพระองค์ทรงเห็นเลือดแดงฉานกระทบแสงสุริยาเมื่อจวนอั ส, สดงดูประหนึ่งทะเลเพลิงทั้งศพคนและศพสัตว์นอนตายเกลื่อนกลน แผ่เป็นบริเวณกว้างใหญ่สุดซ้ายตาในขณะที่ทหารทุกเหล่ากำลังชโยโหร้องก้องกึกเพราะระลึกถึงชัยชนะของพวกตนนั่นเองจอมเสนาแห่งแคว้นมคดทรงทอดถอนพระไทยปลดธนูและพระแสงดาบทิ้งลงสู่พื้นปัตตภีอันกลายเป็นวารีเลือดไปแล้วนั้นขณะนั้นเอง เหตุอัศจรรย์เบื้องบนและเบื้องล่างก็กึกก้องกับปนานขึ้นพร้อมกันท้องฟ้าโดยรอบแดงฉานเหมือนไล้ด้วยเลือดสดเสียงฟ้าคำรามมาทั้งสี่ทิศพื้นภูมิภาคสั่นสะเทือนวันไหวเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความเปลี่ย น, ปยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกมนุษย์ที่จะมีมณะเบื้องหน้านายทหารชั้นผู้ใหญ่ และศรีคารินเห็นพระอาการของพระเจ้าอยู่หัวเป็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจชักม้าเข้าล้อมรอบพระองค์พรางถามว่าเทวะพระองค์ทรงท้อพระทัยในสงครามหรือจึงมีพระอาการเช่นนี้ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนเลยจอมราชันเลี้ยวรอบพระองค์แล้วตรัสว่าท่านทั้งหลายจงดูเถิดดูทะเลเลือดซึ่งแวดล้อมพวกเราอยู่นบัดนี้ สิ่งเหล่านี้ทำให้เราสลดใจอย่างใหญ่หลวงไม่เคยมีครั้งใดในการสงครามที่จะก่อสะเทือนใจแก่เราถึงปานนี้เลือดจมเกลียบมา้าเสียงครวนครางจากคนและสัตว์บาดเจ็บศพระเนรนาศหลากหลายแล้วพระองค์ก็ทรงยกพระหัตถ์ทั้งสองประนมมือพระเสียรขึ้นสู่ท้องฟ้าประกาศก้องท่ามกลางสมรภูมินั่นเองว่า ตั้งแต่นี้ต่อไปเราผู้มีนามว่าอาโซขอวางธนูและดาบจะไม่ยอมขึ้นรถม้าศึกอีกเลยมนุษย์ทั้งหลายต้องตายลงคราวนี้เป็นจำนวนแสนบาดเจ็บอีกจำนวนมากเราผู้รักชีวิตของตนได้ทำลายชีวิตอื่นมาเหลือคนาแล้วพร้อมกับดวงสุริยาละเปลี่ยมเขาแสงระวีสิ้นสุดลง ทัพแห่งอโศกก็เดินเข้าสู่ราชธานีแห่งแคว้นกะลิงคะแต่เป็นการเดินอย่างสงบเงียบก่อความประหลาดใจแก่ชาวแคว้นกะลิงคะที่เหลือสุดจะกล่าวได้พร้อมด้วยขบวนทัพ ท, ที่ย่างลงสู่ราชธานีนั่นเองมีประกาศไปตลอดทางว่าชาวกะลิงทั้งหลายอย่าได้ตกใจกลัวเลยกองทัพแห่งจอมจั ก, กรพรรดิผู้เป็นที่รักของทวยเทพ จะไม่ทำร้ายพี่น้องชาวกะลิงเป็นอันขาดขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในความสงบราตรีนั้นจอมจั ก, กรพรรดิเข้าสู่แท่นบันทมตั้งแต่ล่วงปฐมยามแห่งราตรีเพียงเล็กน้อยพระองค์มิอาจก้าวสู่นิทรารมได้ ภาพแห่งอดีตปรากฏแก่พระองค์เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อก่อนพระองค์เข้าสู่แท่นบรรทมเพียงเล็กน้อยนี้เองพระองค์ทรงคำนึงถึงพระสนมจำนวนร้อยที่ถูกไฟเผาทั้งเป็นโดยพระกระแสรับสั่งแห่งพระองค์เองเขาเหล่านั้นมีความผิดอะไรความผิดของเขาเพียงหักกิ่งอโศกเล่นหลายปีมาแล้วเมื่อพระราชาอภิเสกใหม่ เสด็จประพาสพระราชะอุทยานบรรทมหลับไปตื่นบรรทมขึ้นทอดพระเนตรเห็นกิ่งอโศกถูกหักเกลื่อนกราดทรงพิโรธเพราะเคยมีพระบรมราชองค์การประกาศว่าต้นอโศกนั้นมีชื่อเหมือนพระนามของพระองค์ใครจะทำลายไม่ได้ทรงตั้งข้อหาพระสนมเหล่านั้นว่า มินพระบรมเดชานุภาพแห่งพระองค์กล้าหักกิ่งอโศกได้แม้ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ณนะพระราชะอุทยานนั่นเองเมื่อเพชฌฆาตเตรียมการผูกมัดสนมทั้งหลายไว้กับหลักเขาเหล่านั้นแสดงอาการลนลานเพราะความกลัวและรักชีวิตเมื่อเริ่มสุมไฟเผาทุกคนร้องไห้วิงวอนขอชีวิต ชีวิตซึ่งเป็นที่รักของทุกคนและเป็นสิ่งที่พระองค์ทำขึ้นใหม่ไม่ได้ทุกคนหลั่งน้ำตาน้าตาแห่งความกลัวและเจ็บดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดเขาเพียงหักกิ่งอโศกไม้ซึ่งมีชื่อเหมือนพระนามของพระองค์ดูดูก็เป็นเรื่องไม่น่าลงโทษรุนแรงขนาดนั้นแต่พระองค์ก็ทรงลงทันเขาถึงชีวิต ไม่เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุไปหรือพระองค์มีอำนาจถูกแล้วอำนาจเป็นใหญ่ในโลกพระองค์มีอำนาจตัดหัวคนได้ทุกคนในอาณานิคมของพระองค์แต่แต่พระองค์มีอำนาจชุบชีวิตที่สิ้นแล้วให้ฟื้นคืนขึ้นมาได้หรือควรหรือที่มนุษย์จะทำลายสิ่งที่ตนไม่อาจสร้างขึ้นใหม่ได้ จินตนาการของพระองค์ ย, ย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อเสด็จโดยมา้าจากเมืองเวทิศ ส, สุนครตักศิลาด้วยความเร่งร้อนเมื่อทราบว่าชโลทราเบนใจออกห่างพระองค์ได้ประหารการติดทัดและเพื่อนของเขาการติดทัดชายซึ่งเป็นที่รักของหญิงทอรยศพระองค์ก็ทรงลงโทษชโลธรา โดยการบังคับให้เพื่อนสามคนจูบสลบแน่นิ่งไปแล้วนำไปขังไว้นะตำหนักน้อยเวลานิชโลทราก็ยังอยู่อยู่อย่างนกน้อยในกรงขังหลังจากถูกทรมานอย่างชอกช้ำแล้วนางบอกว่าไม่ได้รักพระองค์ ท, ง ท, งทั้งทั้งที่แสดงอาการให้พระองค์หลงผิดว่ารักพระองค์เสียเหลือเกินพระองค์ทรงเจ็บปวดพระทัยเพราะเรื่องนี้ ในระยะนั้นพระองค์ไม่ได้เฉลียวพระทัยสักนิดหนึ่งว่าความรักเป็นเรื่องของหัวใจส่วนความสัมพันธ์ทางร่างกายนั้นเป็นเรื่องของความใกล้แต่บางทีก็มักเป็นเสมอเสมอคือในความรักนั้นมีความใคร้ผส ม, มอยู่ด้วยแต่ในความใกล้ไม่จําเป็นจะต้องมีความรักแทรกซึมอยู่ด้วยเสมอไปความรัก เสมือนน้ำบริสุทธิ์ใสสะอาดความใกล้เหมือนน้ำนมเมื่อน้ำและน้ำนมผสมกันจึงทำให้คุณภาพแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมีความเข้มข้นขึ้นรสหวานขึ้นมีความยั่วยวนชวนดื่มมากขึ้นแต่ทิ้งไว้นานน้ำนั้นก็เสียมีรสเปรี้ยวทํานองเดียวกันนี้ความรักระหว่างหนุ่มสาวเชื่อเอาความใกล้ไวเป็นอันมาก จึงมีความเข้มข้นในความรู้สึกมีความทะเยอะทะยานดิ้นรนในการรวมตัวเมื่อไม่ได้สมใจอยากก็มักจะเปลี่ยนเป็นความชิงจังยากนักที่ความรักจะกลายเป็นมิตรภาพแต่มีอยู่เสมอที่มิตรภาพจะแปลเปลี่ยนเป็นความรักอันดูดดื่มเจือด้วยความสเสน่หาอาลัยและแล้วจินตนาการของจอมจั ก, กรพรรดิก็หดสั้นเข้ามาถึงเรื่อง ดอกเฟื่องฟ้ากับนางละครพระองค์ทรงประหารนางละครสิ้นชีวิตด้วยเหตุเพียงเขาแสดงละครมีเรื่องคล้ายฉากชีวิตตอนหนึ่งของพระองค์กับชโลธรามันเป็นเพียงเรื่องละครแต่มาคล้ายชีวิตจริงพระองค์ทรงดําริว่าเรื่องทํานองนี้จะมีเพียงชีวิตของพระองค์เท่านั้นหรือ จะไม่คล้ายคลึงกับชีวิตของคนอื่นบ้างเลยหรือความจริงชีวิตนี้คล้ายละครละครแห่งชีวิตละครแห่งโลกละครโลกคือละครโรงใหญ่บุคคลแต่ละคนเป็นเพียงตัวละครแห่งโลกที่ฉากและบทบาทค่อนข้างยาวเท่านั้นเอง คำนองเดียวกันนี้ความรักระหว่างหนุ่มสาวเชือเอาความใคร้ไว้เป็นอันมากจึงมีความเข้มข้นในความรู้สึกมีความทะเยอทยานดิ้นรนไปในาการรวมตัวเมื่อไม่ได้สมใจอยากก็มักจะเปลี่ยนเป็นความชิงชังยากนักที่ความรักจะกลายเป็นมิตรภาพแต่มีอยู่เสมอที่มิตรภาพจะแปลเปลี่ยนมาเป็นความรักอันดูดเดิม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 ทำให้พระองค์ต้องฆ่าคนถึงสามคนและต้องจับเอาสตรีคนหนึ่งมาทรมานห้ามการเกี่ยวข้องด้วยผู้ใดชีวิตทุกชีวิตต้องการเสรีภาพคนทุกคนต้องการเป็นเสรีชนความจริงข้อนี้ครอบคลุมไปถึงสัตว์ในป่าและปลาในน้ำด้วยไม่มีความรักใดมนุษย์และสัตว์ยิ่งไปกว่าความรักชีวิต แม้คนที่ทำลายชีวิตของตนเองก็ไม่ได้ยกเว้นเขาทำลายเพราะมิอาจทนดูชีวิตที่รักอย่างยิ่งของเขาต้องตกอยู่ในห่วงทุกข์ทรมานคนที่มีชีวิตราบรื่นผาสุขเคยมีใครฆ่าตัวตายเองบ้างพระองค์ทรงหัวละลึกถึงวินตาสตรีหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องเป็นประญาติของพระองค์เธอมีความรัก พักดีต่อพระองค์ตลอดมาแต่ดูเหมือนพระองค์จะทรงเอื้ออารีต่อความรักของนางน้อยไปตลอดเวลาที่นางเอาพระทัยฝากไว้กับพระองค์นั้นพระองค์กลับไปหลงไหลในนางหนึ่งซึ่งมีมารยาหลอกลวงเล่นให้พระองค์หลงรักเท่านั้นครานั้นความสงสารเห็นใจวิเนตาก็พุ่งขึ้นท่วมท้นพระทัยของพระองค์ และรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยทำให้พระองค์ต้องทอดถอนพระทัยหลายครั้งติดติดกันจอมจั ก, กรพัทอโศกทรงมองเห็นชีวิตเป็นเรื่องสับสนเป็นเรื่องยากที่จะรู้และเข้าใจได้ตลอดเรามีชีวิตมาอย่างไรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรการรบลาฆ่าฟันและความเป็นใหญ่เป็นโตบนกองเลือดกองกระดูกนั้น มีสาระประโยชน์อะไรแก่ชีวิตบ้างความสุขใจชั่วแล่นและความเพลิดเพลินที่ได้รับมาโดยทิ้งความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้อื่นนั้นเป็นการให้ความยุติธรรมแก่ชีวิตทั่วไปพอแล้วหรือลำดับนั้นเสียงแห่งเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็กึกก้องขึ้นในดวงหัไทยของจอมจกักรพรรดิอโศกเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่นก็ฉันนั้นผู้รักตนควรหรือจะเบียดเบียนผู้อื่นพระองค์ทรงลังเลพระทัยเสียแล้วว่าการกระทําของพระองค์นั้นเป็นความกล้าหารหรือความขลาดกันแน่ผู้กระาหารควรสละชีพของตนเพื่อรักษาชีพของผู้อื่นหรือควรล้างพลานชีพของผู้อื่นเพื่อสงวนชีพของตนไว้ถ้าประการแรกถูกต้อง โลกมนุษย์นี้ก็เต็มไปด้วยความคลาดและคนคลาดถ้าประการหลังถูกโลกนี้ก็เตรียมไปด้วยคนเห็นแก่ตัวเพราะความจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกตลอดมามีอยู่ว่าคนส่วนใหญ่เมื่อภัยมาถึงตัวหรือเพียงแต่ระแวงว่าภัยจะมาจากบุคคลใดก็ทำลายบุคคลนั้นเสียแล้วพระองค์ทรงดำริ ถึงดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลที่พระองค์ตีได้มาพระองค์ย่ํามาบนกองกระดูกและเลือดเนื้อของผู้อื่นก็ดินแดนเหล่านั้นเป็นของพระองค์จริงๆหรือหรือเพียงแต่พระองค์สําคัญผิดไปว่าอันแท้จริงนั้นเป็นสมบัติของโลกจะต้องตกเป็นมรดกของโลกและทุกคนจะต้องละทิ้งมันไปสมบัติของโลก คำนี้จึงเป็นความจริงเ้น้การายมีกษัตริย์องค์ใดบ้างเล่าในพื้นพิภพนี้ที่สามารถนำเอาดินแดนและทรัพย์สมบัติต่างๆติดพระองค์ไปได้หลังจากสิ้นพระชนแล้วแต่ละพระองค์แม้จะทรงเข้าพระทัยว่าดินแดนอันกว้างใหญ่สุดขอบฟ้าของพระองค์แต่มันก็ไม่ได้เป็นของพระองค์จริงๆเลย เมื่อยังทรงพระชนอยู่ในดินแดนเหล่านั้นก็ก่อความทุกข์ความกังวลให้มิรู้จักจบสิ้นเมื่อสิ้นพระชนแล้วก็ทิ้งไว้เป็นมรดกของโลกต่อไปแม้จะยังทรงพระชนอยู่ดินแดนเหล่านั้นพระองค์ก็ไม่ได้อยู่อาศัยความเจริญรุ่งเรืองทางอำนาจนั้นเป็นเพียงมายาฉากหนึ่งของชีวิตและมีปกติ ให้โทษมากกว่าให้คุณอยู่เสมอลองระ ล, ลึกถอยหลังไปถึงอดีตบ้างเถิดจะทำให้เราเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าอำนาจราชศัก์ต่างๆนั้นมิใช่เป็นของเจรังยั่งยืนอะไรเลยมันเป็นเพียงมายาที่ชอบหลอกคนเล่น ถอย ห, หลังไปไกลก่อนสมัย 6,000 ปีล่วงมาแล้วแถบลุ่มแม่น้ำไทกริซยูเฟรติสและลุ่มแม่น้ำนายกำลังเจริญรุ่งเรืองอียิปซูเมเรียนบาบิโลนอเซเรียนฟเฟนิเชียนเราไม่ลืมสมัยอันรุ่งเรืองยิ่งของฮมูรบีแห่งบาบิโลนไม่ลืมรัชสมัยของพระเจ้าไซรัสแห่งเปอร์เซีย สมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกผู้มีอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลจีนสมัยพระเจ้าสิงสือห่วงผู้สร้างกำแพงยักษ์พระเจ้าถังถ่ายและดินแดนต่างๆที่ทรงตีได้ทัพอันทรงพระานุภาพยิ่งของออกโกไดค า, านทัพมองโกน ของพระองค์สามารถตีได้เปอร์เซียจีนอินเดียภาคเหนืออัฟกานิสถานตุรกีอาลับอารั บ, รบและบุกเข้าไปถึงยุโรปได้รัเสเซียฮังการีจนจดแดนเยอรมันและจดฝั่งทะเลเอเดียติกความรุ่งเรืองของอินเดียสมัยพระเจ้าเ ล, ลาธิตพระเจ้าอักบาพระเจ้านโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ใกล้เข้ามายิ่งกว่านั้นเราจะเห็นความรุ่งโรจน์ของสุมาตราสมัยศรีวิชัยความรุ่งเรืองของเขเมิสมัยนครธมนครวัดความเจริญของพมา่าสมัยพระเจ้าอนโนรธาบุเรงนองและอลองพยาแต่แล้วดินแดนและสัพพวัตถุเหล่านั้นอะไรเล่าเป็นสมบัติของผู้มีอำนาจอันเกรียงไกร บางท่านทิ้งไว้ซึ่งรอยแห่งความโหดร้ายให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และเต็มไปด้วยความขแยงในเกียรติอันแลกได้มาด้วยเลือดและเนื้อของผู้อื่นต้องเอาชีวิตเป็นอันมากไปพื่าเล่นเพื่ออำนาจตามความอยากอันร่านร้อนของตนเรื่องเหล่านี้น่าจะเป็นตัวอย่างดีพอสาหรับผู้มีอานาจทั้งหลาย ที่กำลังใช้อำนาจกอบโกยดินแดนและทรัพย์สินต่างๆเข้ามาหาตนให้สำนึกบ้างว่าในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องตกเป็นสมบัติของโลกตนมีสิทธิ์เพียงอาศัยได้ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเป็นดังนี้ควรหรือที่จะประกอบอกุศลกรรมเพื่อแลกเอาสมบัติอันไม่จีรังยั่งยืนอะไรเลยแล้วทิ้งเอาความเศร้าหมองแห่งชีวิตไว้เบเื้องหลัง ให้คนทั้งหลายเยอะเยะ้ยติเตียนเขาเหล่านั้นไม่ได้เคยสำนึกบ้างเลยหรือว่าการช่อโกงเบียดบังเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยมิเป็นธรรมนั้นมันเป็นประหนึ่งการดื่มน้ำที่เจือด้วยยาพิษแม้จะระ ง, งับความกระหายได้ชั่วคราวแต่ในไม่ช้าความตายจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามธรรม แม้จะให้ความลำบากใจบ้างในเบื้องต้นแต่ก็อำนวยความสุขสงบให้แก่ตนในเบื้องปลายเหมือนชาวสวนผู้ฉลาดหมันรดน้ำปรวนดินต้นไม้ทนลำบากในเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยแต่มีผลเป็นความสุขสมบูรณ์ยั่งยืนนานพระเจ้าอาโศกทรงตรึกตรองอย่างลึกซึ้งในเรื่องสมบัติและวิบัติจนจวนจะรุ่งสางแล้ว พระองค์จึงบรนธมหลับวันรุ่งขึ้นทรงแต่งตั้งเจ้าชายองค์หนึ่งแห่งแคว้นกาลิงให้ดำรงรัชสมบัติต่อไปส่วนพระองค์ทรงนำทัพเสด็จกลับนครปาตาลีบุตรเมื่อวัฒนะฉายยาการเงาแดดทอดยาวไปทางทิศตะวันออกมากแล้วระหว่างทางเสด็จจากแคว้นกาลิงสูมคตนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงละเลยการสำรวจพื้นภูมิประเทศ พระองค์ไม่ได้ทรงละเลยการสำรวจพื้นภูมิประเทศและประชากรของพระองค์เมื่อ ย, ยังทรงพักแรมณแห่งใดในเวลาค่ำคืนพระองค์พร้อมด้วยสีครินและเวนุปาลจะทรงปลอมพระองค์เป็นคนสามัญเที่ยวดูความเป็นอยู่ของประชาชนในถิ่นนั้นๆและแล้วพระองค์ก็ทรงตระหนักยิ่งขึ้น ภารกิจของพระองค์นั้นไม่ใช่การกรีธาทัพย่ำยีดินแดนต่างๆแต่ควรเป็นการบำรุงอนาประชาราษฎร์ในเขตครอบครองของพระองค์ให้อยู่ดีกินดีมีเมตตากรุณาต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพระองค์ทรงได้ประจักษ์ด้วยสายประเนรของพระองค์เองแล้วว่าคนส่วนใหญ่ยังยากจน ยังมีภาระดิ้นรนเรื่องสแสวงหาอาหารมาใส่ปากท้องบางครอบครัวที่พระองค์ทรงเห็นมาจวนข้าแล้วลูกสามคนกำลังร้องไห้ทุรนทุรายแม่นั่งร้องไห้ปลอบลูกอยู่ด้วยความหวังหวังการกลับมาแห่งสามีตนพร้อมด้วยเข้าสารสกอบหนึ่งเพื่อประทังชีพของห้าชีวิต ให้ชะรอไปได้ถึงวันพรุ่งเขาไม่มีแม้เพียงข้าวสกอบหนึ่งในครอบครัวเด็กหน้าซีดเขียวด้วยความหิวโหวยแม่หน้าตาเศร้าหมองเพราะทุกทรมานทั้งทางกายและดวงใจบางครอบครัวสองสามีภรรยาด่าว่าทุกตีกันอย่างหมดละอายเมื่อฟังไปก็ได้ความว่าหนี้สินเขามากล้นพ้นตัว ฝ่ายสามีก็โทษภรรยาฝ่ายภรรยาก็โทษสามีว่าเล่นการพนันหมกมุ่นในการพนันจนไม่ทำมาหากินยังมีเรื่องอื่นอื่นอีกมากประชาชนส่วนใหญ่ยังเอาตัวไม่รอดกระเสือกกระสนแหวกว่ายอยู่ในทะเลชีวิตอย่างทุกข์ทรมานเป็นภารกิจของพระองค์ที่จะต้องดำเนินเรื่องนี้โดยเร่งด่วน หน้าที่อันแท้จริงของพระองค์คือการต่อสู้เอาชนะความอดอยากแร้นแค้นของประชาชนศัตรูที่ร้ายแรงของประชาชนคือความอดอยากหิวโหวยพระองค์จะต้องช่วยประชาชนรบกับความแรนแ้นแค้นไม่ใช่พาพวกเขาไปตายในสมรภูมิ